ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรร ม, มิกผู้อยู่ในวงสาขนายาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้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 <c oughs> และในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศน์ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งเ็าพอๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละห <c oughs> รือบางทีอาจจะย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ ดังนั้นอธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้ <c oughs> เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง <c oughs> ก็ใครจะจะขอถือโอกาสขอไปทันปู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วยเรื่องของธรรมะที่จะนามาวันนี้ก็ ควรจะเป็นเรื่องประสบก า, ารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเร <c oughs> <c oughs> ื่องปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านธธาพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่ ว, วไป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 เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของสมเด็จประสมมาสัมพุทธเจา้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรม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 จะว่าละธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมาเกล่าวไอ้เรื่องถูกเรื่องผิดนั่นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทาถ้าผู้บมเพ็ญธรรมารที่มุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้ เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทมตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนลาภความกำหนัดจินดีหรือกิเลสโลกโกรดหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์แต่ใจคือว่าเป็นสัมมาสมาธิ ความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของขั้นเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่ไดโดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมธรรมที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> ในระดับต้นๆ น, นี่ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิโพี่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับ ของความเป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอาราหันต์จําพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโตดาสกิทาคาอณาคาแต่ยังไม่ได้สําเร็จพระอาราหันต์และทําไมจึงยังไม่สําเร็จพระอาราหารันต์ก็เพราะเหตุว่า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 จิตใจของตัวเองให้รู้ซึงลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกจะ ว, ว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั้นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรปับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติห ร, หรือบาเพ็ญเพี ย, พยพรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้ <c oughs> อันนี้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 ละท่านไม่สอกแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมากและท่านอาจารย์เสาสอนพระธรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีปรไปถามท่านว่า อยากจะเรียนกรรมาฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาวท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิภาวนาพุโทพธโธแลว้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลว่าอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียว แล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกและทําให้มากๆทําให้ทำนิทานานในเมื่อตั้งใจทําจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่า <c oughs> ภาวนาพโพโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆที่เรายังไม่ลงมือทํามแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คําตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้น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 โพโทพโทนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อโพธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคําบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเด็กก็ต้องใช้คําบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึก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 เจ็ดมีอาการสงบเคลิมเลิมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วเจ็ดเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่แปลว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิมเลมลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาสายไปแล้ว เช่นย่างภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือยบหนอคลองหนอก็ตามในเมื่อใจสงบเคลิมเคลิ ม, ล, มลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งคับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทําจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิ ในเมื่อเจตไม่ถึงอปรนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถะสมาทานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถะสมาฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ <c oughs>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 ้ากายปลากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายยะคตาสติถ่าลมหายใจปลากฏดขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดโลลมหายใจแล้วเจตของผู้ภาวนายอดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปลากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วเจตตามโลในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นดัง กายปลากฏก็ยึดเอากายยกระตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนเละบฟันหนังด้วยเอ็นกระดูกไปจนคก็บอาการสามสิบสองก็ได้แล้วจะเป็นอบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมะถะกรรมฐานคืออัปปนาสมาธิ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้น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 อย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้เิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็ไปเดินแบบทานสมาบัติไปอาคาสานัญจายัจนะวิญญาณัญจายัจนะอากินจัญญายัจนะเนวสัญญาณาสัญญายนะัจนา ไปเดินสายศาสนาตามไปแต่พุทกับตามก็อาศัยกัน ถ, ถ้าใครสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นชานนี่ทําให้เกิดอิตทีเรศต่างๆ <c oughs> ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทํำมันให้ให้ไปติดถ้าไปได้ติดติดสมาธิในขั้นชานแล้วโฟมจิตโฟมใจจะไม่เกิดความรู้ หรือไม่เดินขั้นวิปัสนาอันนี้คือทางแวะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าอิกในเมื่อดูลมหายใจละเอียดเิี่ยงลงไปทุกทีทุกปีตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทําท่าจะหายขาดไปให้เึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไป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 ในเมนจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพระมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมจิตเข้าไปอยู่ในจิตยอย่างเดียวกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ ล, ลึกไม่มีเรื่องรู้สมรรภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราะจะนั่นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องโลว์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องโลว์สติมีกายเป็นอมีกายเป็นเครื่องระ ล, ลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้์ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของกายก็ตามเมื่อไหร่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 สภาพจิต ท, ที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนเธอเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบเธอสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเมตตต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะเนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิต แต่แทาที่จริงแล้วภาพในเม็ดต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นจิดของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทําไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากโรบาอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานสอนให้ลูกปิด น, นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็นอะไรบ้าง ทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่ได้ผดลเพราะฉะนั้นในเ ม, เมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาใจสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เตร็จแล้วมันก็แสดงภาพนนเม็ดต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือประสบะการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นในเม็ดแล้วไปเอกใจสมาธิถอนภาพนนเม็ดนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในไม่เห็นภาพนนเม็ดเช่นเห็นเทวดาเป็นต้น แล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดาไปเห็นความสวยงามของเทวดาในจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั้นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อเนื้กว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างละ่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาก็จะพาไปที่ไหน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 ได้กลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกเรื่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผ่านของนักบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครบาอาจารย์ท่านเจิงได้นำสั่งสอนว่าในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิต ในเมตรภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพในเมตรหลอกกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิม็ดนั้นๆมาเป็นเครื่องลู้ของจิตมาเป็นเครื่องพิจรารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกัน